พระตถาคตเจ้าเสด็จมาโกสัมพีนางจึงยินดียิ่งหนักคราวนี้แหละพระสมณโคโดมพูดจองหองจะได้เห็นเทธิของนางมาคันธยานางปรลเรื่องนี้ด้วยความประยิ่งใจแล้วจ้างบริวารของนางบ้างทาสและก็กรรมกรบ้างให้เที่ยวติดตามด า, าพระบรมศาสดาทุกมุมเมืองทุกผลทุกแห่งที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไปดูก่อนพระดา ข้าพระเจ้าตามเสด็จไปทุกขนทุกแห่งเหมือนกันเมื่อถูกด่าแรงๆจิตใจของข้าพระเจ้าก็กระวนกระวายแต่พระตถาคตเจ้าทรงมีอาการแช่มชื่นอยู่เสมอสีพระพักตร์ยังคงสงบนิ่งเช่นเดียวกับเวลาได้รับคำสรรเสริญจิตใจที่ไม่หวั่นไหวได้โลกธรรมคือนินทาและสรรเสริญ น, นั้นเป็นจิตที่ประเสริฐยิ่งพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้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 เรื่องเกิดขึ้นที่ไหนควรให้ระงับลงณที่นั้นสักก่อนแล้วจึงค่อยไปอานอนนเรื่องที่เกิดขึ้นแกตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกินเจ็ดวันคือจะต้องระงับลงภายในเจ็ดวันเท่านั้นแลพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานอนนเราจะอดทนต่อคำบิวฑ์ของผู้อื่นเหมือนช้างสึกก้าวลงสู่สงคราม ต้องทนต่อลูกสอนซึ่งมาจากทิษ ท, ทั้งสี่เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสหาแต่โทษของคนอื่นเธอจึงดูเถอะพระราชาทั้งหลายย่อมทรงราชภานะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมนุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้อันอนเอยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้ จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดหมาอัสดรหมาสิงทพพญาช้างตระกูลมหาหน้าที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชานันสัตว์อาชาันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อน อ, น, อนุนผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัว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 สามารถขุดหมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสได้คุณธรรมทั้งมวลมีสีและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้น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 มีอาณาเขตไปจนถึงหิมาลายบันพศมีแคว้นสักยะอยู่ทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศตะวันออกแคว้นโกศนซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคธโกศนมีเมืองสำคัญสามเมืองคือสาวัตถีอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสรายุเป็นเมืองสำคัญมาก่อนสมัยพระพุทธองค์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 ก็ขอตูไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทำนั่นทานี่จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอาคันตุกัดอนาถบินดิกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพระเจ้ามาท่านกวีกระว่าต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปลาัยเป็นที่บันเทิงจิต ต, ตามฐานะมิตรอันเป็นที่รักท่านละงานอื่นๆไว้สิ้นมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่คราวนี้น่ะ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 ออกบวชจากศักยตระกูลมีข่าวแพร่สะพัดไปทุกคนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ได้วิชาและจรณะคือมีความรู้ดีและความประพฤติดีสเสด็จไปที่ไหนก็เอาหนวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จักโลกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลส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 ตอนสุทัตะผู้สร้างอารามเชีตวันดูก่อนสุทัตะผู้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับ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 สุทะตะเอยน้ำตาของสัตว์ผู้ต้องร้องไห้เพราะความทุกโทมนัตทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตาสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือขนาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปฐพีโดนเหลาถ้านำมากองรวมๆกันมีให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขา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 และปล่าประกาศให้ประชาชนสร้างที่พักเพื่อพระสงฆ์สาวกตามเส้นทางที่พระาศาสดาจะเสด็จไปเมื่อถึงสาวัถีแล้วอนาถปิณดิกะก็มองหาสถานที่ที่จะสร้างอารามถวายพระาศาสดาและพิสุสงเห็นที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นสวนของเจ้าชายในราชตระกูลผู้ทรงพระนามว่าเชตะได้ลักษณะควรเป็นอารามสำหรับผู้ทนิวา คืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีทางเข้าออกได้สะดวกไม่อิกกระทึกในเวลากลางวันและเงียบสงัดในเวลากลางคืนเหมาะสําหรับเป็นที่สํารานพระอริยบทของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตึกตรองธรรมอันลึกซึ้งสําหรับพิสุสง์อนาถาปินติกาได้เข้าเฝาเ้าเจ้าชายเชตะขอซื้อสวนสร้างอารามเบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธ แต่เมื่อเศรษฐีขอร้องวิงวอนหนักเข้าก็ส่งยอมแต่ทรงโกงราคาแพงเหลือหลายถึงกับว่าถ้าจะซื้อให้ได้ก็ต้องให้ราคาเท่ากับเอาทองไปปูลงให้เต็มส่วนนั้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงําริกว่าถ้าราคาแพงเกินไปเศรษฐีคงไม่ซื้อแต่พระองค์ทรงเข้าพระทัยผิดไปเศรษฐียอมตกลงซื้อ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 เครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศสิสะจรดหลังเทา้าบนสิษะทำเป็นรูปนกยูงนำแผน่นขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละห้าร้อยขนจะงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทำด้วยเงินนกยูงนั้นประดิษฐ์อยู่เหนือเสียรเหมือนนกยูงงนำแพ่นอยู่บนยอดเขา เรื่องประดับนี้มีค่า90้าล้านกะหาปณะนะค่าจ้างทำหนึ่งแสนกะหาปณะนะและทาอยู่ถึงสี่เดือนโดยในช่างจำนวนร้อยจึงสาเร็จลงคืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองทนันชัยเศรษฐีผู้บีดาได้ให้อว่าดแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการคลองเรือนยิ่งหนัก